มาเรียนสามอลัลกตอพอไหวไหมก อ, อร์ตออยู่ไหนยก่อไหนพี่เลี้ยงว่าไงพี่เลี้ยงลุนนี้พอไหวไหมมีศรัทธาแล้สติสมาธิปัญญานะ <c oughs> <c oughs> มีวิริยะไหมมีศรัทธาแล้ว <c oughs> มีศรัทธาอย่างเดียวไม่พอนะ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 นี่พอเราหัดดูจิตดูใจเราเห็นจิตใจของเราเนี่ยมันแปรปรวนตลอดนะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเข้าใจนะัก็เกิดได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจมากขึ้นมากขึ้นยิ่งได้รู้ได้เห็นนั้นยิ่งสนุกอนะ่ะสนใจสนใจที่จะดูมันก็เกิดความเพียรมิริยะเกิดขึ้นสัทธาก็มากขึ้นมิริยาก็มากขึ้นการที่เราหมั่นรู้หมั่นดูนั้นเครื่องมือในการรู้ในการดูคือสตินั่นเอง